การที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอยู่ที่การศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลประโยชน์พอเป็นเหมือนกับการ ไปศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆศึกษาแล้วเขาก็ให้เราสอบสอบได้เราก็ได้รับปริญญาได้รับประกาศนียบัตรเพียงแต่ว่าการสอบของเขากับการสอบของศาสนาพุทธนี่ไม่เหมือนกันสอบของศาสนา สอบของทางสถาบัานการศึกษาเข้าสอบความจำของเราว่าเราจำสิ่งที่เขาสอนได้หรือเปล่าถ้าความจำดีก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้ดีก็สอบผ่านก็ได้ใบประกาศ แต่ทางศาสนาพุทธไม่มีใบประกาศให้ไม่มีใครตรวจข้อสอบให้เพราะเป็นการสอบไม่ได้สอบสอบเรื่องความจำด้วยแต่นอกจากความจำแล้วต้องสอบเรื่องความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนได้หรือเปล่าอันนี้ผู้ปฏิบัติ ผู้ศึกษาจะเป็นผู้ให้คะแนนจะรู้ว่าคะแนนของตัวนี้สอบผ่านหรือสอบตกการสอบของพระพุทธศาสนาก็คือการกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นว่าสามารถกำจัดความอยากสามประการนี้ได้หรือเปล่าถ้าเรียนแล้วไปปฏิบัติแล้วยังอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นนออยู่ยังอยากได้นั่นอยากได้นี่ยังอยากมีนั่นมีนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ หรืออยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่อยากไม่มีไอ้นั่นอยากไม่มีไอ้นี่อยู่อันนี้ก็ถือว่ายังสอบไม่ผ่านแล้วจะดูว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านดูตรงไหนก็ดูตรงที่ใจทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยถ้าใจยังทุกข์อยู่ถึงแม้จะบอกว่าไม่โลภแล้วไม่อยากแล้ว แต่ถ้ายาใจยังทุกข์อยู่ก็ถือว่ายังอยากอยู่ยังโลภอยู่โดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่รู้ว่าโลภอะไรอยากอะไรต้องใจต้องไม่ทุกข์กับอะไรเลยต้องไม่มีคาว่าทุกข์อยู่ในใจอถึงจะเรียกว่าสอบผ่านตอนต้นก็อาจจะไม่ต้องหมดทุกข์ในทันทีทันใดเลย เพียงแต่ให้รู้ว่าอทุกได้ดับไปบ้างแล้วทุกเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องบางอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ทุกแล้วเมื่อก่อนนี่ทุกเดี๋ยวนี้ไม่ทุกกับคนนั่นคนนี้แล้วอยังไม่ไม่ทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่ยังทุกกับคนนั้นคนนี้อยู่เอยังมีบางคนนี่ยังทุกกับเขาอยู่ยังทุกกับร่างกายของตัวเองอยู่อ ร่างกายของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์หรือเปล่าร่างกายของตัวเองเมื่อแก่ทุกข์หรือเปล่าเวลาผมหงอกนี่เห็นผมหงอกขึ้นมาดีใจหรือเสียใจสบายใจหรือไม่สบายใจเวลาเห็นตีนกา อ, อยู่ขอบตาเห็นหนังเหี่ยวหนังยน่นเห็นสิวเห็นฝ้า บนผิวหนังเห็นเนื้องอกยังมีความรู้สึกทุกข์กับมันหรือเปล่าถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้ ย, ยังสอบไม่ผ่านแต่ถ้าเห็นผมงอกก็เฉยไม่เดือดร้อนงอกก็งอกไปเห็นหนังเหี่ยวย่นก็ไม่เดือดร้อน ย้อนไปเหี่ยวไปเห็นเนื้องอกหมอบอกมีเนื้องอกตามอวัยวะต่างๆของร่างกายก็ไม่เดือดร้อนน้องอกก็งอกไปผ่าได้ก็ผ่าไปผ่าไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปนี่คือ การทำข้อสอบของทางพระพุทธศาสนาไม่ต้องให้มีใครมาตรวจข้อสอบผู้ปฏิบัตินี่แหละ็จะเป็นผู้ตรวจข้อสอบพระพุทธเจ้าบอกสันทิฏฐิโกการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง ว่าตอนเองพ้นทุกหรือยังหรือยังทุกยอยู่นี่คือความแตกต่างของการศึกษาของทางาศาสนาพุทธกับของทางสถาบันต่างๆในโลกนี้สถาบันต่างๆในโลกนี้เขาไม่สอบเรื่องของความทุกหรือไม่ทุกของผู้สอบเขาไม่สนใจ ผู้สอบมาสอบแล้วทุกหรือไม่ทุกเขาไม่ได้ดูตรงนั้นเขาไม่ได้ตรวจคะแนนตรงนั้นเขาตรวจดูว่าจําได้หรือเปล่าทําข้อสอบได้หรือเปล่าเขาถามว่าไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าถ้าเราตอบได้เขาก็ให้ผ่านแต่เขาไม่มาตอบเขาไม่มาสอบว่าเราสบายใจหรือไม่สบายใจ เราห่วงใหญ่หรือไม่ห่วงใหญ่เราวิตกกังวลหรือไม่วิตกกังวลเราเครียดหรือไม่เครียดเราฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเรากลัวหรือไม่กลัวนี่คำถามเหล่านี้จะไม่มีในสถาบันการศึกษาต่างๆที่เราไปสอบกันเขาไม่สอบเรื่องเราเหล่านี้ มีสถาบันของพุทธศาสนานท่านั้นที่จะถามคำถามเหล่านี้ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์สบายใจหรือไม่สบายใจเครียดหรือไม่เครียดวิตกหรือไม่วิตกห่วงใย ห, หรือไม่ห่วงใยเศร้าโศกเสียใจหรือไม่เศร้าโศกเสียใจ หวาดกลัวหรือไม่หวาดกลัวนี่แหละคือข้อสอบของทางพุทธศาสนาที่ผู้มาศึกษามาปฏิบัติจะต้องทำให้ได้ถ้าตอบข้อสอบเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าสอบผ่านทุกหรือไม่ทุกไม่ทุกสบายใจหรือไม่สบายใจสบายใจหวาดกลัวหรือไม่หวาดกลัวไม่หวาดกลัว ฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านห่วงใย ห, หรือไม่ห่วงใยไม่ห่วงใยเศร้าโศกเสียใจหรือไม่เศร้าโศกเสียใจไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรอววรหรือเปล่าไม่อะไรอววร น, นี่แหละคือผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ก่อนจะปฏิบัติได้ก็ต้องศึกษาว่าต้องปฏิบัติอะไรมากถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติไม่ถูกก็จะปฏิบัติไม่ได้ผลฉะนั้นต้องศึกษาก่อนแต่การศึกษาของพระพุทธศาสนานี้ไม่ต้องใช้เวลามากเพราะหัวข้อที่ต้องเรียนนี้มีแค่สามหัวข้อใหญ่ๆ ข้อที่หนึ่งก็คือทานทานแปลว่าการให้เราให้ได้หรื อ, อยังเราให้โดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนได้หรื อ, อยังให้ฟรีๆให้เปล่าเรามีอะไรที่เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องเก็บเอาไว้เราให้ได้หรือเปล่าหรือเรายังหวงยังเสียดาย ก่อนที่เราจะให้ได้เราต้องดูว่าเราต้องมีอะไรบ้างก่อนเราต้องดูว่าเราต้องมีอะไรที่จําเป็นจริงๆก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราจะให้อะไรได้หรือให้อะไรไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปคิดว่าของที่เรามีอยู่นี้จําเป็นไปหมดให้ไม่ได้เลยอย่างนี้ก็แสดงว่าเรา ให้ทานไม่ทําทานไม่ได้ทําทานไม่เป็นคนที่ทําทานเป็นนี่เขาเขาให้ได้หมดเลยทุกอย่างอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาทําทานนี่ให้หมดเลยนอกจากเสื้อผ้าที่ใส่ชุดเดียวเท่านั้นที่ให้ไม่ได้ถึงแม้ไม่ได้ให้ก็ให้แลกเปลี่ยนได้ตอนที่พระพุทธเจ้าสละราชสมบัติเนี่ย อันนั้นแหละเรียกว่าเป็นการทำทานของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะเห็นว่าของนอกกายนี้ไม่มีความจำเป็นเลยสมบัติอะไรต่างๆของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะปราสาทสาดืดดูทราบสมบัติต่างๆบริสัทธ์บริวารต่างๆ เจ้าชายสิทธัตถะบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีมีแล้วกลับทำให้ไม่สบายใจเจ้าชายสิทธัตถะต้องการความสบายใจไม่ต้องการความไม่สบายใจมีสมบัติแล้วแทนที่จะสบายใจกลับไม่สบายใจก็มีไปทำไมอย่ามีมันดีกว่าถ้าอยากจะมีความสบายใจขั้นต้นนี้ต้อง ทำทานให้ได้ก่อนเพราะการมีอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจกันมีอะไรเราก็จะรักจะหวงจะไม่ให้จากเราไปแต่ไม่มีอะไรที่จะไม่จากเราไปสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่ามีมากมีน้อย ไม่ใช่ของเราเพราะเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเรามาตัวเปล่าๆแล้วเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเราก็เอาไปตัวเปล่าๆคือไปดวงวิญญาณไปตัวเปล่าๆที่ติดตัวไปได้ก็บุญกับบาปที่ทำเอาไว้เท่านั้นเองงั yeah. ้ ของอะไรที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้นี้เราต้องให้ได้ต้องสละได้ถ้าเราให้ได้สละได้เราจะได้พ้นทุกได้ถ้าเรายังให้ไม่ได้นี้เราก็จะต้องทุก mm hmm. เวลาอยู่ก็ทุกเวลาไม่อยู่ก็ทุก mm hmm. เวลาอยู่ก็หวงห่วง mm hmm. เวลาไม่อยู่เวลาจากกันก็ทุก เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้ต้องเห็นตรงนี้เห็นว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองญาติพี่น้องสามีภรรยาบุตรที่ดาพ่อแม่ปูย่ย่าตายายบุตรหลานญาติสนิทมิตรสหายต้องจากกันทั้งหมด ร่างกายของเราก็ต้องจากกันจากเราร่างกายต่อไปมันก็ต้องไปวัดไปจองสารากันไว้แล้อย่างควรจะจองสารากันได้แล้วเพราะเดี๋ยวต้องไปแล้วพร้อมที่จะให้มันไปได้วยอย่างนี่คำว่าทานเนี่ย มันกว้างขวางมากถ้าเรามาวิเคราะห์กันจริงๆนะ้วต้องให้ได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่เป็นของเรามีของเราอันเดียวที่เราให้ไม่ได้ถึงแมาจะให้มันก็ไม่ป่ายจากเราก็คือใจเรานี่แหละก็คือตัวเราเนี่เราให้ใครไม่ได้แต่ตัวเรานี้ไม่ใช่เป็นร่างกายเท่านั้นเองตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่เป็นร่างกาย ตอนนี้ให้อะไรให้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ไปหรอกให้มั น, ม, นมันก็ไม่ไปมันต้องอยู่กับเราเป็นเหมือนเงาตามตัวเราแอ้นั้นเราต้องให้หมดถ้าเราอยากจะทำข้อสอบผ่านถ้าเราอยากจะทำตอบว่าไม่ทุกข์กับอะไรเลยเราก็ต้องให้ทุกอย่างไปให้ได้หมดแล้วเราจะไม่ทุกข์ ใครอยากจะได้สามีให้เขาไปเลยเราจะไม่ทุกข์ถ้าให้ไม่ได้ก็จะทุกข์ใช่ไหมถ้าเขามาขอลูกถ้าให้ไม่ได้ก็ทุกข์ใครจะมาขอก็ยมมาบาลไงเวลาย ม, มาบาลมาขอนี่จะให้ไม่ให้เขาก็ไม่ฟังเราแล้ ว, ลวเขาเอาไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ให้เราจะทุกข์ ถ้าเราให้ไม่ได้เราจะทุกข์ถ้าเราให้ได้เราจะไม่ทุกข์เราต้องการทุกข์หรือต้องการไม่ทุกข์ยังไงเขาก็เอาไปอยู่ดีไม่ใช่หนระือเด็เวลาเขาจะเอาไปเราห้ามเขาได้เปะเวลาโยมพบาลมาขออคนนั่นคนนี้จากเราไปนี่เราบอกขอเถิดยาวไปเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม แล้วไปทุกข์ทำไมล่ะทุกข์ก็ไม่ได้คืนอยู่ดีอสู้ไม่ทุกข์ไว้ดีกว่า ว, วิธีไม่ทุกข์ก็ต้องรู้จักการให้รู้จักการทําทานวันนี้ญาติโยมเอาเงินมาให้ทุกข์วะปะไม่ทุกข์ใช่ไหมเงินที่ให้มาวันเนี้ทําไมล่ะอ่อยอมให้ใช่ไหมอยากให้ใช่ไออ เงินข้าวของเที่เอามาให้วันเนี้ให้แล้วร้องไห้หรือเปล่าเสียดายหรือเปล่าขอคืนหรือเปล่าไม่ได้ขอคืนอยากจะให้ถ้าไม่ให้ถ้าไม่รับกลับจะเสียใจใช่ไหมแต่บอกไม่เอานี่จะต้องถามแว่าทำไมไม่เอาเห็นไหเห็นไหมว่าการให้กับการไม่ให้อันไหนจะดีกว่ากันให้แล้วสบายใจหม ไม่ให้แล้วรู้สึกงไงไม่สบายใจเวลาขโมยเอาเงินเอาของนี้ไปนี่สบายใจหรือไม่สบายใจก่อนจะมาวัดนี่เตรียมของจะมาทําบุญแล้วเผลอวางไว้ที่ไหนขโมยหยิบไปก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกไงตอนนั้นสบายใจหรือไม่สบายใจไม่สบายใจก็ของนัินเดียวกันของที่จะไปทําบุญอยู่แล้ว ของที่เราไปให้เขา้ออยู่แล้วกลับไม่สบายใจเพราะว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบนี้ใช่ไหมไม่อยากให้คนนี้อยากให้คนหนึ่งก็เราทำไมไม่มองว่าไหนๆก็ต้องให้อยู่แล้วดีทีกจะได้ไม่ต้องมาที่นี่ให้เสียเวลา <laughs> ไม่ต้องขับรถมาเสียเวลาเสียน้มัน คนมาเอาของที่บ้านไปมารับของที่บ้านไปก็เขาไปกันหมดเรื่องไหนไหนเราก็จะเอาไปวัดแล้วไม่ใช่เหรอไหนๆเราก็จะไปทําบุญแล้วมันก็ได้บุญเหมือนกันที่มันไม่ได้บุญเพราะว่าเราไม่ยอมให้ท่านนั้นเองพอเราเปลี่ยนใจว่าอะเหมือนก็เหมือนกับทําบุญแหละดีเสียองกไมต้องขนของไปที่วัดเนี่ย มีคนมารับของถึงที่บ้านเลยอันนี้แหละเป็นการทำบุญละงนั้นทุกครั้งที่เราเสียอะไรไปถ้าเราเสียใจเราต้องถามเราเราไม่ยินเราไม่ยอมเสียใช่ไหมยเรายอมไม่ยอมมันก็ไปแล้วใช่ไหมนนมันจะกลับมาหรือเปล่ามันไม่กลับมาแล้วนนถ้ายอมมันกลับสบายใจกว่าไม่ใช่เหรอ ถ้าอยากเสียมันก็สบายใจกว่า <Yeah. S 1> ก็เปลี่ยนใจเราสิเมื่อมันไม่ยอมก็ต้องบอกต้องยอมพอยอมแล้วสบายใจคิดว่าคนที่เอาไปเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องมาเอาของเราไปเขาจะได้เอาไปทไปําประโยชน์ให้กับเขามันก็เหมือนกับเอาของไปให้กับวัดกับอะไรที่เราต้องการให้เขาทําประโยชน์เขาก็าไปทไปําประโยชน์ ขโมยที่มาขโมยของที่บ้านเราเขาก็เอาของไปทำประโยชน์เขาไม่เอาไปทิ้งหรอกใช่ั้ย <c oughs> <c oughs> นี่คือเรื่องของการให้แค่นี้ก็จบละเรียนขั้นที่หนึ่งคือการให้ต้องให้ได้ทุกอย่างถึงจะสอบผ่านถ้ายังติดอยู่ขั้นไหนอยู่ยังไม่ผ่าน พระเจ้าบอกให้สละทรัพย์ได้อยังให้ทรัพย์ได้อยังให้อวัยวะได้ยังให้ชีวิตได้หรือยังให้ร่างกายได้หรือยัง น, นี่คือสิ่งที่เราต้องให้อวัยวะคือให้อะไรก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายไคือยาวตาหูจมูกลิ้นกายไปใช้สำหรับเราไม่ต้องเอาไปดูไปฟังไปเที่ยวไปเล่นต้องใช้อวัยวะ ได้ตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยางั้นเปิดหูปิดตาซะนี่เหมือนกับเป็นการให้หรือถ้าจะดีจริงก็เบยจากตาไปเลยควักตาให้เขาไปสองอันเรียกว่าเาวายะจะได้ไม่ต้องดูดูแล้วมันทุกข์ดูไปทําไมใช่ไหมเวลาเราดูนี่เราทุกข์แล้วเราสุข ก, กันโ <c oughs> หูก็ตัดเป็นไปเลยไม่ต้องฟังเสียงอ่ะฟังเสียงแล้วทุกข์ไหม เวลาเขาด่าเราทุกข์บรอเปล่าแล้วมีไว้ทำไมอะนมีแล้วมันทุกข์อ่ะพระพุทธเจ้าบอกสลามันแล้วจะไม่ทุกข์อ่ะมีทรัพย์แล้วมันทุกข์ไหมทุกข์ใช่ไหมต้องหวงหรือเปล่าต้องหวงหรือเปล่าต้องเสียใจหรือเปล่าเวลามันจากออกไป กายมันไปทั้งเลยเพื่อไม่ต้องมีมันแล้วจะได้ไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาเสียใจเวลามันจากเราไปเนี่ยพระพุทธเจา้าเลยสละทรัพย์ไปใช่ไหมเป็นเจ้าชายศิท ธ, ธทัตถาก็สละทรัพย์ไปแล้วก็ไปบวชบวชก็ต้องถือศีลแปดศีลสิบศก็ต้องสละอวัยวะสละตาหูจมูกนิ้นกายคือไม่ใช้มันห้ามใช้ตาหูจมูกนิ้นกายเอ ก็เหมือนสละนะไม่ดูแล้วไอ้ไอ้หนังละครอะไรต่างๆเนี้ดูแล้วเดี๋ยวมันก็ทุกทุกพออะไรเวลาอยากดูแล้วไม่ได้ดูไม่มีดูเนี่ยมันก็ทุกแล้วดูแล้วไม่ชอบก็ทุกอีกเดี๋ยวไปเห็นรูปที่ไม่ถูกใจก็ทุกอีกหูก็เหมือนกันเสียงมันมีทั้งเสียงที่ทําให้เราสุขกับเสียงที่ทําให้เราทุก เวลาคนสรรเสริญก็สุขใช่ไหมเวลาคนนินทาก็ทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีหูนะได้จะได้สอบผ่านไหมว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกเพราะหูหรือไม่ทุกข์เพราะหูอถ้ายังทุกข์เพราะหูอยู่ก็สละไปทุกข์เพราะตาก็สละตาไปอย่าไปดูเบียดตาเบีดหูเบีดลิ้น เวลากินอะไรไม่ถูกลสถูกปากก็ทุกข์ต้องกินแล้วต้องถูกริบถูกลดต้องปรุงแต่งเองเห็นมหมซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วยังต้องมาปรุงแต่งกันเองถ้าไม่ถูกรดก็ไม่ไม่อร่อยนะ้ไม่สุกแล้วเนี่ยเรื่องวัสดุอวัยวะสระตาหูจมูกเล้นกายไปอย่าไปใช้มัน ทำเป็นเหมือนคนตาบอดเห็นอะไรก็ได้หูก็เหมือนกับคนหูหนวกใครก็จะด่าใครก็ชมก็ฟังได้ใช่ไหมคนหูหนวกก็เดือดร้อนนะเวลาใครด่าเขาสบายเขายิ้มก็ว่าอะไรเหรอเนี่ยเราต้องทำเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่มีเลนตัดเลนทิ้งไปไม่มีจมูก เวลาใครเขาให้กับข้าวอาหารอะไรมากินได้หมดเนี่ยไม่รู้ว่ามันรสอะไรกินเพื่ออิ่มกินเพื่อดับความหิวเท่านั้นเองเนี่ยการกินของนักบวชของผู้ต้องการพ้นจากความทุกข์นี้ไม่ได้กินเพื่อลสชาติไม่ได้กินเพื่อกลิ่นของอาหารไม่ได้กินเพื่อรูปของอาหารเอาอาหารนี้มาคุกกันก็กินได้เชื่อมั้ยอาหารที่จะกินเข้าไปในท้องเนี่ย ก่อนจะเข้าไปในท้องเอามารวมกันในชามก่อนก็ได้ของหวานของขาวเครื่องดื่มทุกชนิดที่เราจะกินในวื้อนี่เอามาใส่ในชามเลยกินกว๋วยเตี๋ยวใส่เข้าไปกินขน ม, มใส่เข้าไปกินอของหวานใส่เข้าไปกินผลมไม้ใส่เข้าไปกินเครื่องดื่มใส่เข้าไปกาแฟเบบซี่ Pepsi, อะไรวนมันกับข้ากินค น, น, นกับก๋วยเตี๋ยวปนกับ ของที่เราจะกินนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ไปปอนกันในท้องไม่ใหช่หรอเ อ, อถ้าไม่ปอนก็นไม่นานมันก็ควรจะแยกอะมันก็ต้องไปไปปอนกันอยู่แล้วทําไมไปยุ่งยากทําไมทําไมต้องใช้ถ้วยใช้ชามเยอะแยะไปหมดใช้ใบเดียวก็พอกินง่ายล่างง่ายเใช่ไหมกินเสร็จก็มีช้อนใบเดียวชามใบเดียวนี่ถ้าแยกไหนจะถ้วยไหนจะแก้วไหนจะจานไหนจะชามกินเสร็จแล้วก็ ต้องมาทุกกับการล้างถ้วยล้างชาอกีกนะนี้เรียกวิธีกินแบบไม่มีอวัยวะไม่มีลิ้นไม่มีจมูกไม่มีตาเห็นมมองไม่เห็นอาหารทำเป็นเหมือนมองไม่เห็นก็เหมือนกับมองไม่เห็นลสสัมผัสก็เหมือนกับไม่ได้สัมผัสลดอะไรก็ได้อาหารจะมีลักษณะยังไงก็ได้เหมือนกับคนตาบอดกิน ไอคนตาบอดนี่เขาต้องยาก า, ารหานะบ่ามันาะถ้าค้กให้เขาเขากินได้ใช่ไหม <c oughs> เขาไม่รู้หน้าตาของอาหารเป็นยังไง <c oughs> คนตาบอดนี่ดีคนตาดีตรงเนี้ย <c oughs> ไม่ต้องทุกกับสิ่งที่เห็นอคนตาดีนี่กับมีความทุกข์มากกว่าคนตาบอดใช่ไหอเห็น <c oughs> <c oughs> ภาพที่ไม่ถูกใจก็ทุกข์เลยได้ยินคนหูหนวกก็ดีกับคนหูดีคนหูหนวกนี่ใครด่างไงก็ไม่ทุกข์เลยคนหูดีนี่เขาพูดเพียงบาๆก็าสียท น, นก็ยังทุกข์เลยนี่คือข้อสอบของทางาศาสนาพุทธเรียนไม่ต้องเรียนมากหรอกไม่ต้องไปเรียนโอกเป็นปีเรียนหลักสูตร นักทำตีโทเอกแล้วก็ไปไะปเรียนก้าโอ้โหเรียนกันไม่ถึงไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ไดเอาไปปฏิบัติเลยใช้ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียนไปก็ไม่เกิดประโยชน์เรียนแล้วปฏิบัตินี่ไม่ต้องเรียนมากให้รู้แค่เนี้ให้รู้คาว่าทานคือการให้การเสียสละเราให้เสียเราให้ได้หรือเปล่าของที่ไม่ใช่ของเราเพราะถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรไม่เป็นของเราก็าทุกอย่างนะ ทุกอย่างที่เรามาอยู่นี่ไม่ได้เป็นของเราเลยทุกอย่างที่เราจะต้องเสียไปเวล า, เ, าเวลาร่างกายนี้ตายไปนี่มันต้องเสียทุกอย่างไปก็แสดงว่ามันไม่เป็นของเราเราให้ได้หรือเปล่าทำไมเราต้องไปให้ตอนที่ตายเท่านะั้นให้แบบถูกบังคับให้ให้แบบนั้นยังไม่ได้ให้เพราะว่าถ้ายังไม่ได้ถูกบังคับก็ไม่ให้อยู่ดีต้องให้แบบยินดีพร้อมที่จะให้ให้ทันทีทันใด แล้วใจจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราให้ไปแล้วเราจะไม่ต้องทุกข์กับมันอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรจะต้องไม่มีมันแล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์กับมันถ้ายังมีมันอยู่ก็ยังต้องทุกข์กับมันอยู่ต้องรอวันที่จะต้องจากกันอยู่ดีพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ทราบก่อนอาจให้ทราบก่อนให้ทราบได้แล้วก็ไปให้อวัยวะให้ตาหูจมูกลิ้นกาย เลิกดูหนังฟังเพลงเลิกเที่ยวเนี่ยเรียกว่าสละอวัยวะเหมือนคนไม่มีอวัยวะออถ้าตาบอดหูหนวกให้ไปเที่ยวมันจะสนุกไหมเออเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวฮ่องกงไปไหมเนี่ยบอกคนตาบอดหูหนวกพาไปดูหนังพาไปฟังเพลงเนี่ยไปก็เท่านั้นไปแล้วไม่ไปก็เท่ากันใช่ไหมตาไม่มีมองหูไม่มีฟังแล้วจะไปดูหนังเรื่องอออออ่ะเเ ถ้าไม่มีลิ้นพาไปกินก็ไม่รู้เรื่องอีกอนี่ถ้าเราสละอวัยวะได้เราจะสบายอีกเยอะเลยใช่ไหมเราจะไม่มีความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นอะไรก็เหมือนกับไม่เห็นได้ยินอะไรก็เหมือนกับไม่ได้ยินปิดตาปิดหูเหมือให้สักแต่ว่าเห็นเสียพุทธเจ้าบอกว่าเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นอย่าไปว่ามันดีหรือไม่ดี เอาไปว่ามันดีก็ไม่ดีบั๊บมันก็เกิดอความทุกข์ขึ้นมาทันทีดีก็อยากได้อยากได้ก็ทุกข์ถ้ายังไม่ได้ก็ทุกข์ไม่ดีพอเจอของไม่ดีก็ทุกข์แล้วอยากจะให้มันหายไปมันไม่หายก็ทุกข์แล้วเห็นคู่อริเดินมานี่ก็ใจก็ไม่สบายแล้วใช่ไหมเห็นเห็นเจ้ากรรมนายเวรมานี่ก็ไม่สบายใจแล้วต้องเห็นคู่รักพอเห็นคู่รักถึงจะดีใจ เี่ยถ้าไม่มีตาก็ไม่รู้ว่าใครมาเจ้ากรรมนายเวรมาก็ไม่รู้คู่รักมาก็ไม่รู้ถ้าไม่มีหูก็ไม่มีทางรู้เลยเนะี่ยเขาไม่มีทางบอกเราได้นะบอกว่าเป็นแฟนเราก็ไม่ได้ยินให้เรามองก็มองไม่เห็นเหตนี้ใครมาหาเรานี่เราจะสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้ได้สักแต่ว่าเฉยได้เฉ ย, ยได้ใครมาก็เฉย คู่รักมาก็เฉยคู่กรรมมาก็เฉยนี่ <Yeah. S 1> คือวิธีดับความทุกข์ของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ตอนต้นดับความทุกข์ด้วยการสละทราบก่อน <Yeah. S 1> มีทราบแล้วมันทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทุกทุกเพราะว่าท่านไม่รู้ว่ามันจะจากท่านไปเมื่อไหร่เกิด <Yeah. S 1> มีปฏิวัติขึ้นมาทําไงฮะเกิดลูกน้องมันอยากจะชิงอํานาจขึ้นมา <Yeah. S 1> มันก็ยึดอํานาจได้ใช่ไหม <Yeah. S 2> หรือมันฆ่าฆ่าฆ่าเจ้านายก็ได้เนี่ยบอดี้การ์ดบางทีก็กลายเป็นเพชฌฆาตของของเจ้ า, น า, yeah. India, า น, นายนายกอินเดียอินทลราคารทีเนี่ยถูกใครฆ่าตาย <Yeah. S 2> ก็ถูกบอดี้การ์ดอย่แหละรอปภ yeah. <Yeah. S 2> เวลามีอำนาจมีอะไรมีทรัพย์นี่มันไม่สบายใจนะ <Yeah. S 2> มัน mm hmm. ห่วงนะมัน กังวลวหวาดกลัวนะคนที่มีทรัพย์มีไปไหนคนเดียวได้ที่ไหนนะนะต้องมีรอปรพอรอบเลยอย่างงั้นสุขหรือเปล่าก็เหมือนติดคุกดีๆนี่เองเหมือนคนติดคุกอะไปไหนก็ไม่มีสละไปไหนแบบส่วนตัวไม่ได้ไม่มีไปแบบไม่ให้ใครเข้ารู้ว่าเราไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องมีเงาตามตัวตลอดเวลา มีรอปพอมีอะไรมาคอยคุ้มครองคุ้มกันต้องมีการบอกล่วงหน้าว่าจะไปที่ตรงนู้นตรงนี้เขาจะได้ไปตรวจดูสถานที่ก่อนว่ามีระเบิดรออยู่หรือเปล่ามีมือปืนซุ่มอยู่หรือเปลายี่มันโศกหรือเปล่านัแหละพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสภาพนั้นนะเชื่อไหมก่อนที่เป็นใหญ่เป็นโตเขาอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นอะ คนที่เป็นผู้นําของประเทศเนี่ยไอ้ที่จะไปเดินไปไหนมาไหนกับเราไปจตุจักรอย่างเงี้ไม่ได้หรอกอยากจะไปไหนทันทีไปไม่ได้หรอกถูกขังอะ่ะถึงแม่ยอยากจะไปถึงแม้จะลูกน้องก็ไม่ยอมให้ไปลูกน้องเหมือนก็กลายเป็นเี้ะกลายเป็นเหมือนกับเป็นอตำรวจมาคอยกัดขังเรามันไม่ยอมให้เราไปหรอก อ๋อถ้าปล่อยเราไปมีอะไรเกิดขึ้นมันมันมันเดือดร้อนอ่ะมันก็ไม่ยอมมันถือว่าเป็นหน้าที่ของมันที่จะต้องห้ามเราถ้าเราไม่ยอมไม่มันห้ามมันก็จะต้องโทรไปบอกเจ้านายมันอีกทีเดี๋ยวเจ้านายมันก็ต้องมาห้ามหรือแมงก็ต้องมาเตรียมตัวอ้าจะไปไหนอ่าเตรียมเตรียมการก่อนนี่แหละคือทรัพย์ของผู้ยิ่งใหญ่ของผู้นํา เป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยบอกไม่เอาแล้วซับอยู่แบบนี้มันไม่สุขอสุขก็ผสมกับทุกข์แต่เวลาทุกข์นี่มันหนักกว่าสุขอะเวลาสุขมันปั๊บเดียวมันก็หายไปแล้วเหมือนควันไฟได้กินอะไรก็สุขเดียวเดียวได้ดูอะไรก็สุขเดี๋ยวเดียวแต่ความทุกข์ความกังวล น, นี่มันตลอดเวลาออมันคิดปั๊บมันก็ทุกข์แล้ว ดีก็เลยต้องสละทรัพย์พระเจ้า บ, บอกให้สละทรัพย์สละทรัพย์ได้แล้วขั้นต่อไปก็ให้ไปสละอวัยวะถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วก็สบายแล้วไปบวชได้ไปอยู่แบบนักบวชได้นักบวชก็หาเกณฑ์แบบนักบวชก็บินทบาดขอทานไปสบาย กินวันละมื้อก็พอไม่ต้องกินมากแล้วกินแบบนักบวชก็เหมือนกับคนที่ไม่มีลิ้นอย่างนี้ไม่มีตาไม่มีจมูกอาหารจะมาในรูปแบบไห น, นกินได้หมดเวลาหิวนี่อะไรอร่อยไปหมดเชื่อัหมถ้าไม่เชื่อลองอดข้าวดูสักสาวันดูข้าเปา่ปาเปล่าก็อร่อยน้ำน้ำดื่มนี่ถ้าไม่ได้ดื่มสักวันนึ่งนี่โอโ้โหน้ำเปา่ปาเปล่านี้ก็อร่อย อร่อยหวานเจียบเลยไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมกลิ่นเติมเติมสีถ้าเรากินเพื่ออยู่<ร>กินเพื่อเลี้ยงร่างกายหรือดื่มเพื่อเลี้ยงร่างกายก็อะไรก็กินได้อาหารที่กินแล้วมันไม่ทำให้ท้องเสียก็ใช้ได้ไม่ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บกินแล้วทำให้มันอิ่มดับความหิวได้ทำให้ร่างกายอยู่ได้ กินเหมือนกินยาวิธีจะกินเหมือนกินยาก็ครุกมันนะมือนีจะกินอะไรใส่ไปในชามก็ยาเวลากินยาเราสนใจไหมว่ามันเป็นสีอะไรมันเป็นมีรูปลักษณะยังไงจะเม็ดกลมหรือเม็ดยาวจะเป็นแคปซูลหรือไม่เป็นแคปซูลหมอให้มากินก็กินมันเข้าไปกินอาหารก็เป็นยาอย่างหนึง่งถ้าจะกินแบบเป็นยาก็เอามารวมกัน ในชามก่อนของขาวของหวานผลไม้ขนมสสยเข้าไปแล้วจะได้อาหารจานเด็ดจะไม่มีที่ไหนขายในโลกนี้เคยกินแบบคนที่ไม่มีอวัยวะไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่รู้ว่ากำลังกินอะไรรู้ว่ากินเข้าไปแล้วมันทำให้มันหายหิวก็พอละ กินแบบนี้เรียกว่าคนที่เขาสละอวัยวะสละตาหูจมูกนิ้นกายเขาจะกินแบบนี้กันกินอะไรก็ได้ให้อะไรมาก็กินแล้วจะอยู่อย่างสบายไม่ทุกข์กับการกินทุกวันนี้ทุกข์กับการกินหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะไปกินที่ไหนดีคิดแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็เบื่อไอ้นั่นก็เบื่อ ถ้าเบื่อก็อยากกินถ้าไม่กินสักมือสองมือเดี๋ยวอะไรก็กินได้ทัวิธีแก้กความเบื่อถ้ามันเบื่อกินนั้นนู่นไม่ได้กินนั่นนี่ไม่ได้ก็อดสักพักหนึ่งอย่าไปกินสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอหิวจริงๆนี่อะไรก็กินได้หมดอะไรก็อร่อยได้หมดนี่คือเรื่องของทานทานทำทานสาระของภายนอกก่อน ของภายนอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตําแหน่งอะไรต่างๆนี่ก็ ถ, ถือว่าเป็นของภายนอกรางวี่รางวัลเช่นช่วงนี้เกามีช่วงแจกรางวัลดารากันลูกกะตาทอง ล, ลูกทองคําอะไรพวกนี้เสละไปไม่ต้องเอามันไม่ไม่ยินดีเขาให้ก็ไม่เอาถ้าอยากได้เดี๋ยวเวลาเขาไม่ให้ก็ทุกข์อ เวลาให้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวปีหน้าเขาแจกใหม่ก็อยากได้อีกแล้วได้ตัวเดียวทันที่จะพอไม่พออีกเราได้ตัวหนึ่งได้อีกตัวก็ไม่พอใช่ไหมได้กี่ตัวก็ไม่พอแล้วพอไม่ได้ก็ทุกไหมอแล้วดีไม่ดีเกิดวันดีคืนดีทําอะไรไม่ดีถูกไม่ถูกใจเขาเขาก็มายึดคืนไปอี แล้วไปมี ม, มันทําไมมีแล้วมันทุกข์อ yes. ของไปนอกกายนี่สละไปให้หมดเลยแม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นข้าวของสามีภรรยาสละได้สละไปเลยแล้วจะสบายใจกว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่าอยู่สองคนเชืเอ่อไหมอยู่สองคนไม่เคยทะเลาะกันหรือเปล่ามีสองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ทะเลาะกันไหมมีไหม อราจไปอยู่ทาไมสองคนอยู่คนเดียวไม่ได้ทะเลาะกันไม่ยอมอยู่อย่างนี้เรียกโง่หรือฉลาดอะอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะไม่เคยอยู่คนเดียวไม่หัดอยู่คนเดียวอยู่ไม่เป็นนั่นเองถ้าหัดอยู่คนเดียวได้ต่อไปก็สบายมันเป็นการหัดเท่านั้นเองเหมือนกันหัดใช้มือขวามือซ้ายเนี่ยเราเคยใช้มือที่เราไม่ถนัดไหมไม่เคยใช่ม เพราะเราไม่ถนัดเราไม่ใช้มันแต่ถ้าเราหัดใช้มันต่อไปเราก็ใช้มันได้ไม่เชื่อลองเกิดมือที่เราถนัดมันเจ็บโดยใช้ไม่ได้เราต้องทำยังไงเราก็ต้องมาหัดใช้มือที่เราไม่ถนัดพอเราหัดใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็ถนัดขึ้นมาเองเพราะคนที่เขาใช้มือที่ไม่ถนัดที่เขาถนัดก็มีเยอะแยะนี่เช่นเราถนัดขวาเอกคนทาไมก็ถนัดซ้าย ซ้ายกับขวามันต่างกันตรงไหนว่าไม่ต่างกันเนอะเขาใช้ซ้ายได้เราใช้ขวาได้แต่เขาใช้ขวาไม่ได้เราใช้ซ้ายไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ใช้มันเราไม่เคยอยู่คนเดียวพอเราต้องอยู่คนเดียวก็เลยอยู่ไม่ได้เลยต้องอยู่สองคนพออยู่สองคนก็เลยต้องวุ่นวายกัน แล้วถ้าพูดด้วยเหตุด้วยผลอยู่แบบไหนดีกว่าอยู่สองคนแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าเห็นได้ว่าอยู่คนอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้เห็นไหมกลัวเพราะอะไรอก็เพราะไม่ยอมปล่อยร่างกายใช่ไหมกลัวร่างกายจะเป็นอะไรไปอแล้วกลัวแล้วมันทําให้มันไม่เป็นหรือเปล่ามันก็เป็นอยู่ดีไม่ใช่ไหม กัวตายแล้วมันตายหรือเปล่ากลัวเจ็บแล้วมันเจ็บหรือเปล่ามันก็เจ็บอยู่ดีมันก็ตายอยู่ดีแล้วไปกลัวทําไมเห็นไหมนี่ยเป็นการทําทานเป็นของที่เราต้องทํากันให้ได้มันไม่ใช่ของง่ายที่เราทํานี่มันเพียงกิฟต์จอยทําร้อยร้อยละหนึ่งในหนึ่งหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนนี้ทําได้ยังเหลือต้องเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ แต่ทําแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยทําร้อยเต็มร้อยเนี่ยทํายากแต่ถ้าจะทําจริงๆก็ทําได้คนที่เข้ามาบวชเนี่ยเขาทำกันเงินเขาจะละไปหมดมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่เอาแล้วเห็นว่ามันทุกข์ทุกข์มากกว่าสุขมีแล้วมันทุกข์สู้หัดอยู่แบบแบบไม่ต้องใช้เงินทองดีกว่ า, าล่ะใช่ไหมดีก็เป็นวิธีอยู่อีกแบบหนึง่ง อยู่คนเดียวก็เป็นวิธีหนึ่งอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินทองก็อีกวิธีหนึ่งเมื่อกี้เมีคนบอกว่าอยากจะมีรถเห็นไหมอยู่แบบไม่มีรถสบายกว่ามีรถเนี่ยมีรถเดี๋ยวก็ต้องมากังวลกับรถเนี่ยเดี๋ยวไปจอดไว้ตรงไหนก็กลัวหายเลยน ะ, ะกลัวเดี๋ยวเด็กมือสนมือบอนมัเนเอาของอะไรมาขีดมามาขีดรถเราให้มันเสียมีแล้วมันทุกข์กาปะ ไม่มีสบายกับไม่ชอบชอบหาทุกมาใส่หัวเพราะขี้เกียจเพราะอยากสะดวกสบาย <Yeah. S 1> เคยอยู่แบบขี้เกียจอยู่แบบสะดวกสบาย <Yeah. S 1> ก็เลยต้องมีรถ <Yeah. S 1> ถ้าเคยอยู่แบบไม่ขี้เกียจอยู่แบบไม่สะดวกสบายไม่มีรถก็อยู่ได้ <Yeah. S 1> ไม่มีรถก็เดินไปขึ้นรถเมล <Yeah. S 1> รอรถเมลหน่อยเดี๋ยวมันก็มา <Yeah. S 1> รอแท็กซี่หน่อย ยุสมัยนี้ยิ่งสะดวกสามารถโทรเรียกแท็กซี่ได้ไม่ต้องมีรถก็ได้สบายกว่ามีรถเดี๋ยวต้องเติมน้ามันเดี๋ยวต้องเอาไปล้างต้องเอาเข้าอู่ซ่อมใช้แท็กซี่นี้สบายเรียกมาเมื่อไหร่ก็มาทันทีเราก็ไม่ต้องไปหาที่จอดรถด้วยใช่ไหมไปถึงปั๊บก็ส่งเราปั๊บเราไปได้แล้ว นี่ถ้ามีรถเดี๋ยวต้องเวียนวนหาที่จอดรถเอกดีไม่ดีก็ต้องไปเช่าที่จอดรถเอกเสียค่าเช่าที่จอดรถเอกมีแล้วมันดีที่ไหนไม่ดีหรอกไม่มีอ่ะมันดีกว่าแต่เราไม่เคยอยู่แบบไม่ไม่มีเพราะอยู่แบบไม่มีมันต้องขยันมันต้องอเข้มแข็งอดทนหน่อยแต่มันดีทําให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ต้องไปเข้าฟิตเนี่ยสเสียเงินเสียทองถ้าไม่มีเงินก็ต้องเดินไปขึ้นรถเมล์นี่ก็ต้องได้ออกได้ออกกําลังกายแนละ้วถ้ามีรถก็เดี๋ยวก็ต้องไปเดินในฟิตเนสอยู่ดีขับรถไปที่ฟิตหนสเพื่อจะไปเดิน <laughs> แล้วมีรถไปทำไมไม่เข้าใจ <laughs> คนเราสมัยนี้ยิ่งจะรายิ่งโง่นะไม่ใช่ยิ่งฉลาดยิ่งเจรานิ่งโง่ยิ่งขี้เกียจไม่ใช่นะอยากจะได้อะไรสะดวกรวดเร็วกดปุ่มปั๊บให้มันมาทันทีนี่เดี๋ยวเน่เขามีร้านเขาทดลองเปิดร้านร้านขายของแบบชนิดใหม่แบบไม่ต้องมีคนไม่มีแคชเชียร์ไม่ต้องมีอะไรมีมือถือมีโปรแกรมของร้านเขาเวลาจะเข้าร้านผ่านประตูต้องเอา มือถือเราเอาแอปพอเขาเช็คเราว่าเราเป็นสมาชิกเขาเข้าให้เราเข้าไปแล้วเราต้องการหยิบอะไรก็หยิบได้เลยหยิ บ, บแล้วไม่เช่าก็วางไว้ได้แเราไม่ต้องเขารู้ทันทีว่าเราซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรแล้วพอออกจากร้านเขาก็จะตัดเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีเราไปเลยอง่ายไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันจะยิ่งทําให้ต้องมาเพิ่มในโทรศัพท์มือถือนี่เอง เดียวเกิดมันเสียขึ้นมาก็ชวยจะกิน <hopefully> ก็ก <avec> ินไม่ไ <wax> ด <edits family> ้อยากจะกินอะไรอ่ะมือถือมือถือเสียถ้าเข้าไปร้านเข้าเข้าไปก็เข้าไม่ได้หรือเครื่องหายลืมไว้ที่ไหนแล้วเครื่องหายนี่เวุ่นวายไหมมันแทนที่จะมันจะจะมันจะสบายมันกลับทุกข์เพราะมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องกังวลมากขึ้นอีกเรื่องก็เรื่องมือถือนี่ใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มีมือถือสบายไหม จะไม่ต้องกังวลเรื่องมือถือใช่ไหมจะลืยไว้ที่ไหนจะหายไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วมีมือถือนี่เดี๋ยวคนอยากจะโทรมันก็โทรเข้ามาปุ๊บเลยฮะส่วนใหญ่คนก็มาโทรหาเราก็าไม่มีอะไรให้เ้วหรอกส่วนใหญ่แค่เขาจะมาขอเรามากกว่าว่างไหมช่วยไปทำให้นู่นให้หน่อยสิมีเงินไม้มขอยืมหน่อยไม่มีใครโทรมาบอกอยากได้เงินไหมจะให้เงิน แล้วมีไปไําอมนอยเรามีแต่หาความเก่งแต่หาความทุกข์เข้าตัวไม่รู้จักหาวิธีกำจัดทุกข์กันมีแต่คิดจะหาทุกข์ทั้งนั้นโดยที่ไปคิดว่ามันเป็นสุขใช่ไหมของต่างๆที่เราหานี่เราคิดว่ามันเป็นสุขกันอันนี้แหละคือความหลงคนที่มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านเห็นว่าของทุกอย่างในโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์ทุกมากทุกน้อยเท่านั้นเอง ท่านถึงบอกว่าไม่มีดีกว่าสละของภายนอกได้หมดเลยพระพุทธเจา้าออกจากวางไปนี่มีแต่ชุดของเจ้าชายอยู่ชุดเดียวเดินไปกลางทางก็ไปสวยกับขอทานขอทานเห็นชุดนี้สวยก็ขอเปลี่ยนเอา้าท่านก็เปลี่ยนให้ท่านอยากจะเป็นขอทานอยู่แล้วใส่ชุดจ้าเจ้าชายไปเดี๋ยวคนเขาก็รู้อันนี้ก็พอดีขอทานขอเปลี่ยนก็เลยดีใจ ยินดีเปลี่ยนชุดของเจ้าชายแล้วเาชุดของขอทานมาใส่เดีย๋ยวขอทานมันก็ถูกก็จับไปเนี่ยหาว่าไ ป, ไปขโมยเสื้อผ้าของเจ้าชายนี่คือการทําทานถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์อยากจะมีความสบายใจเราต้องให้ได้ถึงแม้ว่าเรายังจะไม่ได้ให้แต่ใจเราต้องให้ได้แล้ว ต้องอยู่กับมันแบบว่ามันอยู่ก็ได้มันไปก็ได้เช่นร่างกายตอนนี้มันยังอยู่ก็ให้มันอยู่ไปแต่มันจะไปก็ให้มันไปเขอาบางอย่างเรายังให้ไม่ได้แต่เราต้องให้ทางใจได้แล้วใจเราต้องให้ได้แล้วใจเราต้องปล่อยได้เขอาบางอย่างเราไม่ต้องเก็บไว้ก็ให้ไปเลยแต่เขอาบางอย่างยังต้องเก็บไว้อยู่ก็เก็บไปก่อนก็ได้แต่ไม่ไม่ไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลกับมันไม่ทุกข์กับมัน มันจะอยู่มันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นแต่ถ้ายังไม่พร้อมไม่ควรที่จะให้ไปก็เอาเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ขอให้เราอย่าให้มันอย่าให้มันทุกข์กับเราก็แล้วกันใจเราต้องให้ต้องปล่อยวางทุกอย่างให้ได้พระพุทธเจ้าบอกให้ปล่อยวางทรัพย์ของภายนอกทุกอย่างทรัพย์ภายนอกแล้วก็มาปล่อยร่างกายปล่อยอวัยวะ ปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาปล่อยร่างกายปล่อยความแก่ปล่อยความเจ็บปล่อยความตายแล้วเราจะมีความสุขมีธรรมธรรมก็คือความสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์คือนิพพานเนี่ยธรรมันสูงสุดก็คือพระนิพพานมรรคผลนิพพานมรรคผลก็คือขั้นของการปล่อยของเรา ว่าเราปล่อยได้มากได้น้อยปล่อยไปทีละขั้นขั้นที่หนึ่งพระโสโดาบันก็ปล่อยทางาปล่อยร่างกายปล่อยความแก่ความเจ็บความตายขั้นพระสะกิรดาคามีพระอนาคามีก็ปล่อยอวัยวะปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายไม่เสพรูปเสียงกลิ่นลถไม่มีแฟนไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรพระอระหันต์ก็ปล่อย ทางจิตใจความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจความสุขต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจก็ต้องปล่อยเพราะความสุขในจิตใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่ามันมันเจริญได้มันเสริมได้พอปล่อยได้หมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะมาให้เราทุกข์อีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างสบายอยู่กับความว่างเปล่าอยู่คนเดียว ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมีรังวีรางวัลไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีอะไรต่างๆมาให้เราให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็น <c oughs> ความสุขปลอมความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขแบบควนันไฟได้มาแล้วก็หายไปใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าของจริงรึเปล่าของจริงมันต้องอยู่กับเราไปตลอด ของจริงที่จะอยู่กับเราก็คือการไม่มีอะไรนี่ความว่างเนี่มันเป็นของที่จะอยู่กับเราไปตลอดแล้วมันจะไม่ได้มันไม่ให้ความทุกข์กับเราเมื่อไม่มีความทุกข์มันก็กลายเป็นความสุขขึ้นมาใจเราเมื่อไม่มีทุกข์มันก็สุขใจเรามันมันมันเป็นได้สองอย่างถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าทุกข์มันก็ไม่สุขเหมือนกับเมื่อกับแจ้งเนี่ยมันอยู่พร้อมกันไม่ได้ใช่ ความสว่างกับความมืดนี้มันปรากฏขึ้นมาพร้อมกันได้หรือเปล่าถ้ามันสว่างมันก็ไม่มืดถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างใจเราก็เหมือนกันใจเราถ้าทุกข์มันก็ไม่สุขใช่ไหมถ้าสุขมันก็ไม่ทุกข์งนั้นเราก็เทียงแต่ทำให้มันไม่ทุกข์ก็พอแล้วพอมันไม่ทุกข์มันก็สุขขึ้นมาไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขให้เหนื่อยเป่าเปาเพราะความสุขที่เราไปวิ่งหามันมันมาเดียวเดียว แล้วมันก็หายไปพอมันหายไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดงนั้นวิธีหาความสุขของพวกเรานี้ผิดเราไปหาความสุขที่หายได้มาปุ๊บก็หายละได้มาปุ๊บก็หายพอหายความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่วิธีของพระเจ้านี้ถูกก็คือกําจัดความทุกข์อะไรที่ทําให้เราทุกข์เราอยากไปมีมันเะท่านั้นเองพอไม่มีอะไรให้ความทุกข์กับเรามันก็สุขขึ้นมาทันที นี่เกิดการเรียนรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติถ้าทำได้นีเราก็จะสบายทำทาน <c oughs> สละทุกอย่างให้หมดที่เรามีอยู่เรามาตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวเราต้องไปตัวเปล่าๆ <c oughs> จะทำได้ก็ต้องเนี่ยต้องมาปฏิบัติต้องมารักษาศีลต้องมานั่งสมาธิต้องใช้ปัญญามันถึงจะทำให้ใจปล่อยได้ ถ้ายังรักษาสีนั่งสมาธิใช้ปัญญาไม่เป็นยังปล่อยไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่าต้องปล่อยนี่คือข้อสอบของเราแต่การจะทำข้อสอบของเราเราก็ต้องมีเครื่องมือเหมือนเวลาจะเปลี่ยนเปลี่ยน ย, ยางรถยนต์นเวลายางแตกนี่ถ้าจะเปลี่ยนโดยมือเปล่าๆนี่เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมต้องมีเครื่องมือต้องมีอะไรยกรถให้มันยกล้อให้มันลอยขึ้นต้องมีเครื่องมือขันน็อ เปลี่ยนยางถึงจะเปลี่ยนได้ฉะนั้นใดการที่เราจะปล่อยสล ะ, สะทุกอย่างได้หมดเราต้องมีศีลต้องมีภาวนาก็ต้องไปศึกษาขั้นต่อไปว่าศีลมีอะไรบ้างภาวนามีอะไรบ้างแล้วถ้าเราสร้างศีลขึ้นมาได้สร้างภาวนาขึ้นมาได้เราก็จะมีเครื่องมือที่ทจะปล่อยทุกอย่างได้ที่จะสละทุกอย่างได้ นี่คือการเรียนเรียนแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้รู้แค่นี้แล้วลองมาไปทำดูตอนนี้ปล่อยอะไรได้ลองปล่อยดูอะไรที่ทำให้เราทุกข์เก็บไว้ทำไมของนี้มันทาให้เราทุกข์ถ้าไม่มีมันแล้วเราจะสบายขึ้นอีกเยอะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวาหาปุราปภิปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตชินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏจิตังตุมหังค um ิปะเมวะสมิจจโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อราโสยถาสัพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริสะนิจจางุทธาปจายิโนจตารโหธรมมาวทาติอายุวโนสุขัง พาลางังวันนี้ทางบ้านมีเข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้ทาง Facebook สูงสุดสามร้อยเก้าสิบเก้าค่ะทาง y o u t u หนึ่งร้อยสิบเจ็ดและทางวิทยุแปดค่ะร้อยกว่าค่ะห้าร้อยสิบสี่ค่ะมีใครอ ย, อยากจะถามอะไรไหมไม่มีก็อเอาคำถามทางบ้านอยู่ จากไลน์ค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมีความสงสัยเรื่องของอาณาปณะสติค่ะกับเรื่องสมถะสมาธิเจ้าค่ะเพราะบางครั้งโยมพุทโธบางครั้งดูลมหายใจเลยงงกับตัวเองเจ้าค่ะก็ใช้ได้ทั้งสองวิธีแต่เวลาใช้ก็ใช้อันไหนก็ควรจะใช้อย่างนั้นเช่นถ้าเราดูลมก็ดูลมไปไม่ต้องพุทโธ ถ้าเราพุทธโทไม่ต้องดูลมก็ได้หรือเราจะเอาสองอย่างรวมกันก็ได้เช่นพุทธเข้าโทออกก็ได้แต่เวลาใช้อย่างไรก็ต้องเอาอย่างนั้นไปตอนนั้นเช่นเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราใช้พุทธเข้าโทออกก็เวลาหายใจเข้าเราก็ว่าพุทธหายใจออกเราก็ว่าโททำอย่างนี้ไปอย่าเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น พุธเข้าโทออกพุทธเข้าโทออกไปหรือถ้าเราไม่ได้พุทธเข้าโทออกเราดูลมเฉยๆก็รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ลมเข้าลมออกแต่อย่าตามลมเข้าไปให้อยู่ที่จุดที่ปลายจมูกตรงที่ลมหายใจเข้าออให้เฝ้าดูเฉยๆลมจะสัน้นจะยาวก็รู้ตามที่เขาเป็นลมจะหยาบจะละเอียดก็รู้ ยมลมจะหายก็ให้รู้เวลาลมหายก็ให้ดูตอนที่มันไม่ดูดูความว่างไปดูว่าใจคิดหรือเปล่าอย่าปล่อยให้คิดให้มันรู้เฉยๆถ้ามันคิดก็หยุดมันได้ถ้าเรามีสติตอนนั้นเราจะพอรู้ปับ๊บมันก็จะหยุดปับ๊บอย่าไปคิดแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งแล้วก็จะนิ่งสงบ ตอนนั้นก็จะไม่ต้องดูไม่ต้องทำอะไรพอมันจะอยู่เฉยๆมันจะมีความสุขมากมันจะเป็นอุเบกขาอันจะเวลานั่งเนี่ยใช้ได้สามแบบดูนมอย่างเดียวหรือพุทเข้าโทรออกหรือพุทโทอย่างเดียวแต่เวลาที่ไม่นั่งเนี่ยเราไม่ควรจะดูนมเพราะมันดูยากถ้าอยากจะดูก็ดูล่างกายแทน คอยเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่เพื่อที่จะได้มีสติคอยควบคุมหยุดความคิดถ้าเราไม่มีสติเวลานั่งมันจะหยุดความคิดไม่ได้นั่งแล้วมันก็จะคิดต่อถ้านั่งแล้วคิดมันก็นั่งแล้วก็ไม่สงบไม่เกิดผลเน้นตอนก่อนที่เราจะนั่งนี้เราต้องฝึกสติวิธีฝึกสติก็ ใช้ร่างกายเฝ้าดูร่างกายก็เรียกว่ากายยกตาสติถ้าใช้พุทธโธก็เรียกพุทพุทธานุสติทำอะไรก็ท่องพุทธโธไปภายในใจถ้างานที่เราทำไม่ต้องใช้ความคิดเช่น อ, อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารเนี่ยก็สามารถพุทธโธพุทธโธไป อย่าทำแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ไม่ให้ให้มีแต่ความคิดเฉพาะกับสิ่งที่เรากำลังทําอยู่เช่นคิดว่ากำลังตักข้า ว, ขาวาเข้าปากเคี้ยวเกินอย่างนี้ให้อยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันถ้าไม่คิดได้อย่างดีให้รู้เฉยๆได้ย่างดีหยุดความคิดถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดก็ไม่ต้องคิดถ้าไม่ต้องพูดโทได้ก็ไม่ต้องพูดโท แต่ถ้ามันคิดแล้วมันไม่ยอมอยู่กับงานที่เราทาก็ต้องใช้พุทธโธก็ใช้พุทธโธสู้กับมันถ้าเรามีพุทธโธพุทธโธเนียวความคิดมันก็จะหยุดได้นี่ระหว่างที่เราไม่ได้นั่งแต่เวลานั่งก็มีสองวิธีสามวิธีดูลมอย่างเดียวพุทธโธอย่างเดียวหรือผสมกันลมลมกับพุทธโธพุทเข้าโธออกแต่เวลานั่งนี้ต้องอย่าเปลี่ยนควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไป ข้อจะไปจากคุณเอ๋ค่ะตั้งใจถือศีลแปดที่บ้านหลังเที่ยงวันไปแล้วคั้นน้ำส้มคั้นน้ำส้มใช้มือบีบและใช้ช้อนตักเมล็ดและกากใ ย, ยออกทานเป็นน้ำปานะได้ไหมคะได้ถ้าจะให้ดีเขาต้องกรองด้วยผ้าเพื่อจะได้ไม่มีเนื้อเนื้อส้มให้กินน้ำเปล่ า, าค่ะคำถามพ่อต่อไปจากคุณซี o n น h a n g e ค่ะ ถ้าเรายังมีความต้องการถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่ทุกข์ไม่เสียดายเพียงแต่ถ้ามีปัจจัยที่มากพอจะได้ช่วยทานุบารุงพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้สัตว์ต่างๆที่ลำบากได้มากขึ้นแบบนี้เรียกว่ายังมีกิเลสอยู่ไหมคะมียังโลภยังอยากได้เงินอยู่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเอาไปช่วยคน อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเวลาถูกจริงๆกาจะช่วยหรือเปล่า เ, <laughs> เวลาคนมาทำบุญขอโหวยบอกว่าหวถูกแล้วจะมาทำบุญที่วัดพอถูกแล้วหายหัวทุกทีเ <laughs> ดืม<ง>ย <laughs> ันคิดว่ามันเป็นอุบายของกิเลสมากกว่าหลอกให้เราคิดไปในทางที่ดีว่าเราได้แล้วเราจะทำบุญแต่พอได้มาแล้วมันห่วงมันทำไม่ออก ถ้าทําก็น้อยทําพอไม่ให้เสี ย, สยจัดจ่ะแต่ถ้าที่ว่าได้มาแล้วเล่าไปทําหมดนี้ไม่มีหรอกใช่ไหมถ้าได้มาแล้วไปทําหมดไปได้มาทําใหม่ใช่ไหมอย่างนนี้เป็นกิเลสมันดอกเราเรายังโลภอยู่ยังอยากได้เงินอยู่แล้วก็อ้างว่าจะเอาไปทําประโยชน์ให้กับคนนั้นคนนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ทําพญทาประโยชน์ให้กูก่อนนะ ซื้อรถก่อนละซื้ออะไรก่อนนะค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณประพาพรค่ะศีลพัตรปรมาตหมายความหมายคืออะไรเจ้าคะเพราะอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเจ้าคะ่ะน้องตาท่านบอกว่าเป็นการลูกคาศีลคือไม่มั่นใจว่าศีลนี่เป็นเหตุของการดับทุกข์ได้หรือเปล่าถ้าเป็นพระโสดาบันนี่ท่านรู้ว่าการทำบาปนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กัน ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ทุกข์เพฉะนั้นพระโสดาบันนี้จะรักษาศีลอย่งกว่าชีวิตเวลาท่านทุกข์ท่านก็ไม่ต้องไปแก้ทุกข์ด้วยการไปไปทำพิธีกรรมต่างๆไปหาหมอดูไปทำอะไรวิธีเหล่านี้ไม่ได้เป็นแก้แค่การแก้ทุกข์ทุกข์มันเกิดจากการที่เราไปทำบาป ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปทําบาปแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ใจหรือว่าถ้าเราทุกข์เพราะความอยากเราก็ต้องหยุดความอยากเพระโสดาบันจะรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นจากสองอย่างหนึ่งเกิดจากความอยากสองเกิดจากการทําบาปงั้นเวลาทุกข์นี่เช่นทุกข์เพราะว่าไม่สบายแล้วทุกข์เนี่ยก็ไปหาหมอหมอดูว่าจะหายไม่หาย จะทำวิธีทำให้หายได้ไหมอันนี้เป็นวิธีงมงายมันจะไม่ได้ทำให้หายทุกวิธีจะทำให้หายทุกก็คือต้องดูว่าร่างกายนี้มันต้องตายหรือเปล่ามันต้องเจ็บหรือเปล่ามันต้องแก่หรือเปล่าแล้วมีอะไรไปเปลี่ยนมันได้หรือเปล่าไปห้ามมันได้หรือเปล่าถ้าห้ามไม่ได้ไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่างๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร โดบางวิธีสมัยโบราณเขาสะดเดาะเคราะห์ด้วยการบูชายันเงีดยการฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าเป็ดฆ่าไก่เนี่เขาเรียกว่าศีลรับพัะตะพวกที่ไปสะดเดาะเคราะห์เพื่อกำจัดความไม่สบายใจของตนด้วยการไปทำพิธีกรรมต่างๆนี่เรียกว่าศีลรับพัะตะปรามาวิธีที่จะทำให้ใจเราหายทุกข์ก็คือต้องหยุดความอยาก ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องรู้ว่าความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์และการไปทำบาปก็ไม่ได้เป็นวิธีดับทุกข์แต่เป็นทางกระทาให้เกิดความทุกข์มากขึ้นไปนี่คือสีริพัฒปาปาามาคนที่ไม่รู้อริยาาสัจสีไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรก็จะไปแก้ด้วยวิธีต่างๆไปหาหมอดูไปดูฮวงจุย้ยไปาทา บูชาลาหูนไปลอดใต้ทุนโบทไปถ้าสมัยก่อนก็มีการบูชายันต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายบูชาเจ้าที่เจ้ากรรมในเวณอะไรต่างๆก็ว่าไปข้อต่อไปจากคุณดอราแชนค่ะเต่าตาบอดคืออะไรคะและมนุษย์ทุกคนมาจากเต่าตาบอดหรือเปล่าเจ้าคะ หมมออนดดูกตตต่าาบบ็คำถามจากคุณลินีค่ะถ้าเราอยากจะบริจาคอวัยวะของเรายาเมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วร่างกายเราก็ต้องดับสลายไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการบางคนกล่าวว่าบริจาคแล้วเกิดชาติหน้าจะไม่ครบองค์ประกอบอยากให้พระอาจารย์แสดงทําการสละร่างกายเจ้าค่ะก็ร่างกายจะสละไม่สละมันไม่ได้ทําให้ชาติหน้าของเรา มีอวัยวะครบแล้วไม่ครบเหตุที่ทำให้ร่างกายเรามีอวัยวะครบไม่ครบก็คือการกระทำบาปเช่นเราไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่หรือว่าไปตัดแข้งตัดขาของสัตว์นี้ชาติหน้าเราไปเกิดก็อาจจะขาดแข้งขาดขาได้ขาดหูขาดตาได้มันเกิดจากการทำบาปไม่ได้เกิดจากการบยิจากอวัยวะต่างๆการบริจากนี้เป็นการทำบุญ จะทำให้เราได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเก่าคำถามข้อต่อไปจากคุณพนมพรค่ะได้ยินมาว่าปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาโรคได้จริงไหมขอพระอาจารย์เมตตาครับบางโรค ก, ก็รักษาได้ถ้าโรคที่เกิดจากความเครียดโรคที่เกิดจากความไม่สบายใจถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะดับความเครียดดับความไม่สบายใจ พอความเครียดความไม่สบายใจดับไปโรคที่เกิดจากความเครียดก็หายไปได้คำถามข้อต่อไปจะคุณยุจิค่ะเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วยมได้ทำสัญญาเพื่อบริจาคอวัยวะต่างๆให้กับสภากาชาติไทยถ้าเสียชีวิต โดยที่มีความยินดีและเต็มใจซึ่งโยมก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยถามว่าบริจักษนั้นจะส่งผลบุญก็ต่อเมื่อโยมได้เสียชีวิตแล้วและอวัยวะต่างๆได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์แล้วใช่ไหมคะความจริงโยมไม่ได้บุญเลยเพราะว่าตอนที่โยมตายนี่โยมไม่รู้ว่าร่างกายที่โยมบริจกักษนี่เขาเอาไปทําอะไรแล้วยันถ้าอยากจะได้บุญต้องรู้ตอนที่ยังไม่ตายต้องทําตอนที่ไม่ตาย เช่นบริจาคตาไปข้างงอย่างเราจะรู้ทันทีว่าเราได้บริจาคได้เอาไปทำประโยชน์รู้ว่าคนที่เขาเอาตาเราไปนี้เขาจะได้มีตาดูหรือบริจาคไตไปให้กับคนที่เขาตายวายเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้เราจะรู้เห็นทันทีอย่างนี้ถึงจะได้บุญเพราะบุญคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราคือความสุขใจ ในวันนี้โยมมาทําบุญเนี่ยรู้ทันทีว่าได้ได้ทำบุญมีความสุขใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเขียนพินัยกรรมไว้ว่าถ้าฉันตายแล้วเอาเงินมาทําบุญให้ตอนที่คุณตายคุณไม่รู้แล้วว่าเงินที่คุณสั่งให้เขามาทํำนี่เขาจะทําตามหรือเปล่าดีไม่ดีเดี๋ยวพี่น้องก็มาขึ้นศาลขึ้นลงขึ้นศาลกันหาว่าเป็นพินัยกรรมปลอมขึ้นมาหรือถูกหลอกให้ ถูกหลอกให้เซ็นถูกหลอกให้เขียนทำไปทำมาก็ไม่รู้ว่าเงินที่เราสั่งให้เขาบรยจากจะได้บรยจากหรือเปล่าเราก็ถึงแม้เขาจะบริจากเราก็ไม่รู้อยู่ดีนั้นถ้าเราให้ตอนที่เราตายไปแล้วนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำบุญเป็นการให้อยู่แต่ไม่ได้เป็นการทำบุญเพราะผู้ให้ไม่รู้ว่าได้ให้ไปหรือเปล่าถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนต้องทาตอนที่เราไม่ตายตอนที่เรารู้ว่าเราได้ให้จริงจริ ไม่ว่าจะให้เงินทองให้อะไรถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่เรายังไม่ตายอย่างเช่นไปบริจาคเลือดเนี้ยเราได้บุญแล้วอะไรสระบริจาคตายอย่างนี้เราก็ได้บุญนะแต่ถ้าเขียนพินัยกรรมไว้ว่าเดี๋ยวตายแล้วเอาไปเนี่ยเราไม่รู้ละเวลาตายแล้วก็มาเอาไปหรือเปล่าเอาไปหรือไม่เอาไปเราก็ไม่รู้แต่คนที่รับของจากเราที่เราตายเวลาเขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน ไม่ว่าตอนที่เราอยู่หรือตอนที่เราตายแต่เราเนี่ยมันไม่ได้เพราะบุญมันต้องเกิดจากการที่เรารู้รู้ว่าเรากําลังได้ทําอะไรได้เสียสละอะไรไปคำถข้อต่อไปจากคุณชนะตนค่ะต้องทําทานศีลภาวนาให้มากแค่ไหนถึงจะติดเป็นนิสัยไปทุกชาติคะกคะตคะ็ต้องทําทุกวนันทําบ่อยๆมันถึงจะติดเป็นนิสัย เหมราใช้มือขวาทุกวันใช่ไหมใช้มือซ้ายทุกวันม่มันก็ติดไปถ้าเราอาทิตย์หนึ่งใช้ขนหนึ่งนี้มันก็ไม่ติดติดก็ น, น้อยถ้าอยากจะให้มันติดต้องทําทุกวันทําทานทุกวันรักษาศีลทุกวันมากน้อยก็ทําไปบาตนึงก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยทำวันละบาตรสองวันไม่มีที่ทําก็ใส่กระปุกไว้ก่อนแลเกียนไว้ว่าเงินนี้เงินทําบุญทําทานห้ามแตะต้องห้ามยืมห้ามอะไรทั้งสิ้น ถึงเวลาก็ไปวัดหรือไปอยากจะไปทําบุญที่ไหนก็ <c oughs> <c oughs> เอาเงินนี้ไปทําบุญถ้าเราไม่ทําอย่างนี้พอถึงเวลาไปทําบุญอาจจะไม่มีเงินทําก็ได้เพราะถ้าเวลามีเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่เ ห, ห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดพอถึงเวลาจะทําบุญเช่นวันเกิดแต่นี่ทํามากๆก็ทําได้นิดเดียวแต่ถ้าเราทํอยานี้ทุกวันทุกวันพอถึงวันเกิดวันสําคัญนี่โอ้เรามีเงินเป็นก้อนแล้วเราก็จะทําอะไรได้มาก เราเรได้ทำทุกวันเพราะมันเราทำอยู่ทุกวันไงเราเอาเงินที่เรามีอยู่ในี้ใส่เข้ปลูกไปทุกวันคือสมัยนี้โอนเงินได้ทุกวันอยากจะโอนเงินเข้าบัญชีของวัดไหนก็โอนได้ทุกวันวันนี้โอนร้อยหนึ่งพรุ่งนี้ร้อยหนึ่งโอนมันทุกวันไปอย่างนี้ก็ได้ทำบุญทุกวัน <c oughs> ต้องทำเป็นประจำเหมือนกินข้าวเหมือนกับที่เราทำอะไรเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันก็จะติดเป็นนิสัยไป คนกินเหล้านี่ต้องกินทุกวันใช่ไมันจะติดนิสัยไปนา น, านานกินทีมันไม่ติดหรอกคนกโมมันก็จะกโมยอยู่เรื่อยๆมันก็จะติดนิสัยไปยังถ้าทำอะไรบ่อยๆมากๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปถ้านานๆทำทีมันก็จะไม่ไม่เป็นนิสัยค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณสมมักค่ะคนเรานับถือศาสนาต่างๆกันไป มีทั้งคนนับถือพุทธนับถือคริสต์นับถืออิสลามพอตายไปแล้วถ้าทําไม่ดีหรือทําบาปจะตกนรกที่เดียวกันหรือเปล่ารลุหรือแยกที่กันไปตามศาสนาและถ้าทําดีไปสวรรค์ที่เดียวกันไหมครับสาธุ ค, ค่ะสาธุครับศาสนาก็เหมือนเหมือนโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็สอนวิชาเดียวกันใช่ไหมเรียนจบจุฬาก็ได้ปริญญาตรีเหมือนกันเรียนจบธรรมศาสตร์ก็ได้ปริญญาตรีเหมือนกัน เรีนแขนงไหนก็ได้ความรู้อันเดียวกันศาสนาก็สอนเรื่องของจิตทุกศาสนาก็สอนเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเหมือนกันงั้นมันก็สอนเรื่องเดียวกันไปสวรรค์ก็ไปสวรรค์ที่เดียวกันไปนรกก็ไปนรกที่เดียวกันเหมือนกันศาสนาเป็นเหมือนเป็นเพียงสถาบันให้ความรู้เท่านั้นเองแต่เรื่องของสิ่งที่ศาสนาสอนนี่เหมือนกันสอนเรื่องเดียวกันสอนเรื่องของ ดวงวิญ ญ, ญาณคือจิตใจที่หลังจากที่ตายไปแล้วจะไปที่ไหนกันเองแต่ว่าศาสนาก็เหมือนกับสถาบันบางสถาบันก็สอนแค่ระดับปริญญาตรีบางสถาบันก็สอนถึงระดับปริญญาเอกศาสนาส่วนใหญ่ศายสน า, สาทั้งหมดยกเว้นพุทธศาสนานี้สอนแค่ระดับปริญญาโทจะไม่สอนถึงระดับปริญญาเอก มีศาสนาพุทธนั่นที่สอนถึงระดับปริญญาเองต่างกันแค่ตรงนั้นเองแต่ที่ที่เรื่องเรื่องที่เรียนนี้เรื่องเรียนเรียนเรื่องเดียวกันเรียนเรื่องจิตเรื่องดวงวิญญาณเรื่องของการไปเกิดหลังจากที่ตายไปแล้วเึงแต่ว่ามีศาสนาพุทธที่สอนเรื่องที่ไม่เกิดด้วยตายไปแล้วถ้าได้ปฏิบัต ถึงทำขั้นสูงสุดได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่เรื่องของที่ไปไม่มียากว่าสวรรค์อันนี้สำหรับชาวพุทธสวรรค์นี้สาหรับชาวชาวอิสลามไม่ใช่มันเป็นที่เดียวกันคือความรู้สึกของใจเหมือนกันเวลาใจสุขก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาเวลาใจทุกข์ก็เป็นนรกขึ้นมามันอยู่ที่ใจคำถามข้อต่อไปจากคุณประภาพรค่ะ การละสัญโย์ข้อสักกายทิฏฐิจะต้องถึงขั้นไหนเจ้าคะขอพระอาจารย์อธิบายเจ้าคะ่ะก็แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไงถ้าร่างกายไม่ตัวเราเราสบายไหมถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นเหมือน ข, นของคนอื่นนี้เราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับมันร่างกายคนอื่นเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราเดือดร้อนหรือเปล่านะก็อย่างนั้นแหะคือสักกายทิฏฐิก็ไปความเห็นผิดไงทิฏฐิแปล ว, ว่าความเห็น สักกาย ก, ก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเราก็จะไม่กลัวกลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเพียงแต่ได้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเหมือนเราได้รถยนต์มาเป็นเครื่องมือพาเราไปไหนมาไหน เราเคยคิดหรือเปล่าว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราไม่เคยเราเคยคิดหรือเปล่าว่ารถยนต์นี่เป็นตัวเราของเราเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะพังเราเราทุกข์กับมันหรือเปล่าพัางก็พังไปซ่อมได้ก็ซ่อมไปก็นี่คือสกายาธิติต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นคนขับรถเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายถ้าเรารู้อย่างนี้ เราก็จะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเราปล่อยให้มันแก่ได้ปล่อยให้มันเจ็บได้ปล่อยให้มันตายได้เพราะเราห้ามมันไม่ได้คะคุณชนะตนค่ะอย่างนี้ถ้าถือศีลแปดได้เกิดทุกวันชาติต่อไปสามารถออกบวชในคคามะได้ง่ายๆเลยไหมคะก็ทาวันนี้ทำได้พรุ่งนี้ก็ทำได้ ชาตินี้ก็เหมือนวันนี้ชาตินี้ก็เหมือนวันนี้ชาติหน้าก็เหมือนพรุ่งนี้แหละไม่ไม่ต่างกันตรงไหนเราเพียงแต่ไปเปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเองแต่คนที่รักษาศีลก็คือคนเดิมคนก็คือใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเคยทําอะไรมันก็ไปทําต่อเคยรักษาศีลแปดมันก็ไปรักษาศีลแปดต่อก็ดูแต่คนในโลกตอนนี้ทําไมบางคนมารักษาศีลแปดกันบางคนไม่รักษาศีลแปดกัน คนไม่เคยรักษามันก็ไม่รักษาคนที่เคยรักษามันก็มารักษาต่อคนที่เคยบวชก็มาบวชต่อคนที่เคยกินเหล้าก็ไปกินเหล้าต่อคเคยทำอะไรมันก็ทำต่อไปมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปกับควาเป็นความตายของร่างกา ย, ายาาาก็กลับได้ถ้าก็อยากจะกลับทำไมจะกลับไม่ได้ ถ้ารู้ว่ากินเหล้าไม่ดีก็เลิกกินนีมันกลับได้แต่มันยากท่านไม่อยากจะกลับกันเพราะเวลาจะกลับมันทุกข์ไงเครกินเหล้าแล้วพอไม่ต้องพอเลิกกินเหล้านี่มันมันจะทุกข์หรือเปล่าที่กลับไปไม่ได้ก็เพราะว่ามันกลัวความทุกข์กันนั่นเองแต่ถ้ายอมทุกข์เดี๋ยวเดียวมันก็หายทุกข์ยอมทนทุกข์เดี๋ยวเดียวยอมอดไปสักพักเดียวมันก็หายอดเล่าไปสักพักมันก็เลิกกินเหล้าได้ อบุหรี่ไปสักพักมันก็เลิกได้ไม่เห็นมันจะยากตรงไห น, นเคยทาอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนได้ขอให้รู้ว่าไม่ไม่ดีแล้วอยากจะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่รู้มันก็ไม่เปลี่ยนจึงต้องมาพบคนดีถึงจะรู้เนี่ยเราถึงต้องมาพบกับพระพุทธเจ้าถึงจะรู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีคราค่ะอต่อไปจะคุณอำนวยค่ะ คำว่าทำสังฆทานเราทำกับโรงพยาบาลหรือโรงเรียนได้ไหมครับคำว่าสังฆทานนี้ความจริงหมายถึงสงฆ์ค่ะสังฆะแปลว่าสงฆ์คำว่าสงฆ์ก็คือพระที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเรียกว่าเป็นสงฆ์แต่พระถ้าเราอย่างนี้เราอยู่คนเดียวนี้ไม่เรียกว่าสงฆ์เป็นบุคคลเหมือนบริษัทเนะี่ยมีบริษัทนิติบุคคลกับบริษัทจากัดใช่ไ บริษัทจำกัดก็เจ้าของคนเดียวท้านิติบุคคลก็มีมีหุ้นส่วนสงฆ์นี้เป็นเหมือนหุ้นส่วนของบริษัทเวลาเราทำอะไรถ้าเราทำกับสังฆทานนี้หมายเราทำกับบริษัทไม่ได้ทำกับคนที่อยู่ในบริษัทนั้นคนใดคนหนึ่งไม่ได้ทำกับพาะรูปใดรูปหนึ่งทำกับทั้งบริษัททากับภาทุกรูปเป็นสมบัติของภาทุกรูปเช่นศาลาหลังนี้ เขาถวายเป็นสังฆทานเขาไม่ได้ถวายให้เราเราไม่ได้เป็นเจ้าของอันนี้เป็นของพระที่อยู่ในวัดนี้ทุกคงเป็นเจ้าของพระทุกรูปอยากจะมาใช้สาราหลังนี้ใช้ได้เราจะไปห้ามเขาไม่ได้ <S <S เราจะบอกนี่เป็นของเราไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ถวายเราแต่ถ้าเขาถวายเราเป็นส่วนตัวขอให้ถวายเป็นของหลวงพ่ออย่างนี้เราก็ห้ามคนอื่นมาใช้ได้ใครจะมาขอใช้บอกไม่ได้อันนี้เราต้องใช้เราห้าม เราห้ามได้แต่นี้เรามันไม่ได้เป็นของเราถ้าถวายสังฆทานก็แปลว่าถวายเป็นของส่วนรวมที่ส่วนเรื่องของโรงพยาบาลอะไรนี่เขาเพียงแต่อาศัยความศรัทธาของชาวพุทธเราว่าถ้ามันไม่เป็นสังฆทานแล้วจะไม่มีใครทําบุญกับโรงพยาบาลไม่ทําบุญกับโรงเรียนก็เลยอาศัยชื่อสังฆทานนี้มาเป็นตัวล่อใจหลอกหลอกคนทําบุญว่าจะทําสังฆทาน ควาจริงสังฆานมันก็ต้องเป็นของพระเท่านั้นะของศาสนา <Okay. S 1> แต่เพียงแต่ว่าอาจจะขอร้องให้พระมาเป็นตัวแทนหน่อยแล้วพอได้มาแล้วให้พระบริจาคให้กับโรงพยาบาลอีกทอดหนึ่งเ <Okay. S 1> ท่านั้นเองมันเป็นเรียกว่าถ้าสมัยถ้าใช้ศัพท์ ส, สมัยใหม่ก็คือการตลาด <Okay. S 1> <laughs> ถ้าจะบอกให้ทําบุญให้โรงพยาบาลไม่มีใครทํา <Okay. S 1> ก็ไงไหม แต่ถ้าทำทำบุญสังฆทานนี่ทํากันเออท่านั้นแหละคำถามจากคุณบัญชาค่ะบทสวดมนต์กับพระคาถาของครูบาอาจารย์เหมือนกันไหมครับให้ผลแตกต่างกันไหมครับก็ต้องดูคาถามันมีความหมายยังไงแต่และคาถาถ้าเหมือนกันมันก็ไม่แตกต่างกันถ้าไม่เหมือนกันมันก็แตกต่างกันอ ย, อยู่ที่ว่าเราเข้าใจความหมายของคาถาเหล่านั้นหรือเปล่า แต่ถามว่ามันมีอะไรวิเศษแตกต่างกันหรือเปล่ามันจะมีก็ตรงที่ให้ความรู้กับเราเท่านั้นเองเป็นความรู้มันก็เหมือนหนังสือที่เราเรียนแต่ละเล่มเนี่ยถ้าเราไปอ่านหนังสือคณิตศาสตร์เราก็จะได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ถ้าเราไปอ่านหนังสือทางวิทยาทางภูมิศาสตร์เราก็จะได้ความรู้ทางภูมิศาสตร์อันนี้ก็ถาก็เป็นเหมือนหนังสือที่เขาเขียนมาให้เราอ่านกัน ทีนี้เขาไปเขียนในภาษาที่เราอ่านก็ไม่เข้าใจเขียนเขียนเป็นภาษาบาลีเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรแล้วเราก็ไปเชื่อแบบงมงายว่าโอท่านได้ท่องคาถานี้แล้วเราจะกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ีอะไรมาปกป้องคุ้มครองรักษาเรามันก็เป็นการตลาดอีกอย่างหนึ่งการตลาดเพื่อหลอกคนคนโ ง, ง่คนที่ไม่รู้เรื่อง คนที่รู้เรื่องนี้เขาจะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่กระดาษเป็นแค่ตัวหนังสือที่ให้ความรู้กับเราเท่านั้นเองเช่นคาถาส่วนใหญ่ที่พระสวนนี้มันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรต่างๆอันนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายก็เหมือนกับเราได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปในตัวแต่มันมีประโยชน์อย่างถ้าการที่เราไปสวดคาถาเหล่านี้มันเป็นวิธีฝึกสมาธิฝึกสติ ทำให้เราไม่ฟุง้งซ่านไม่ไปคิดวุ่นวายกับเรื่องต่างๆถ้าเราอยู่กับบทสวดคาถานั้นสวดไปได้เรื่อยมันก็จะสงบทําให้ใจเราสบายคำถามข้อต่อไปจากคุณกัซิณาค่ะมารไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดจริงไหมคะมารบอกมีบารมีบอกเกิดก็มันเป็นอย่างนั้นต้องมีมารมันถึงจะสร้างบา ร, รมีได้คือต้องมีใครมาทําให้เราโกรธ พอราโกรธเราก็ต้องสร้างเมตตาบา ร, รมีขึ้นมาเพื่อดับความโกรธเหมือนกับว่าถ้าไม่มีโรค ก, ก็ไม่ก็ไ ม, ไม่ไม่มียาใช่ไหมการที่มียาเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันมีโรคพอมีโครคภัยไข้เจ็บคนก็ต้องคิดค้นหายาเมื่อก่อนนี้ไม่มีโรคเอชก็ไม่มียารักษาโรคเอชใช่ไแต่พอมีโรคเอชขึ้นมาปั๊บมันก็ต้องไปค้นหายามารักษาโรคเอชอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีมารมาสร้างปัญหาให้กับเราเราก็ไม่ต้องไปหาวิธีแก้ปัญหากันถ้ามีคนมาสร้างทำให้เราโกรธแล้วเราอยากจะหายโกรธเราจะทำาไงเราก็ต้องให้อภัยเขาอย่าไปถือสาเขาพอเราไม่ถือสาเขาช่างเขาไปเขาทำเราห้ามเขาไม่ได้เราก็หายโกรธอย่งนั้นมันต้องมีเหตุมารเป็นเหตุบางระมีเป็นผล คำถามข้อต่อไปจากคุณนพลค่ะรักแบบใดที่เรียกว่ารักเป็นคนพระสามารถมีความรักได้ไหมครับและมุมมองของความรักแบบพระเป็นอย่างไรอรักแบบคนก็รักแล้วห่วงเนี่ยรักแล้วห่วงรักแล้วยึดถือว่าเป็นของตนรักแบบพระนี่รักแบบให้ไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของตนรักเพื่อให้เขามีความสุข ทำอย่างไรแล้วเขามีความสุขก็ทำอย่างนั้นให้เขาไปเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปแต่ไม่หึงไม่หวงไม่ยึดไม่คลองว่าเป็นของตนรักแบบเพื่อให้คนอื่นมีความสุขเ็าเรียกว่าเมตตาเห็นใครเขาร้องหอบร้องไห้ก็ทำให้เขาหายร้องห่มร้องไห้ก็รักแบบนี้แต่ไม่ได้รักเพื่อที่จะไปหวังเอาประโยชน์จากคนที่เขารัก รักแบบที่ต้องการผลประโยชน์จากคนที่เขารักอันนี้รักแบบคนรักแฟนเพราะอยากให้แฟนให้ความสุขกับเราใช่ไหมเราถึงมีแฟนใช่ไหมถ้าแฟนให้ความทุกข์กับเราเราจะมีไหมไม่มีใช่ไหมแต่เพราะราว่าเราคิดว่าเรามีแฟนแล้วให้ความสุขกับเรา <c oughs> เราก็เลยรักเขาเวลาให้เขาให้ความสุขกับเราเราก็รักเขาเวลาเขาให้ความทุกข์กับเราเราก็เกลียดเขา <c oughs> แต่ถ้ารักแบบพระ เขาจะเกลียดแล้วไม่รักก็ยังรักอยู่ยังไม่ตายอยู่ยังไม่โกรธไม่เกลียดคนที่รักแบบพระนี้จะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่เสียใจไม่ผิดหวังเพราะไม่ได้หวังอะไรจากคนที่ท่านที่ท่านรักท่านมีแต่ให้อย่างเดียวเหมือนพ่อแม่พ่อแม่นี้ก็รักแบบพระไม่ต้องการอะไรจากลูกให้อย่างเดียวอยากจะให้ลูกมีความสุข น, นักแบบพระรักแบบพ่อแบบแม่คําถามจากคุณเต้ค่ะเราจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไรในเวลาที่เรานั่งสมาธิและจิตจะชอบคิดเรื่องต่างๆเช่นกลวัวผีกลัวสัตว์ร้ายมาทําร้ายขณะนั่งสมาธิครับก็หยุดคิดไงต้องให้ถ้าใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวล า, เานั่งสมาธิแล้วเริ่มคิดก็แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราต้อง ใช้คําบริกรรมถ้าเราดูลมก็ต้องดูลมถ้าดูลมแล้วมันยังคิดอยู่ก็ต้องหยุดการใช้ลมไปก่อนแล้วใช้คําบริกรรมแทนท่องพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้สวดบทอ e ิติปิโสไปส่วนแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวเดี๋ยวความกลัวมันก็จะหายไปนี่วิธีแรกวิธีที่สองถ้าเรามีกําลังคิดได้ก็คิดว่าเรากลัวอะไรอย่างมากก็แค่ตายใช่ไหม แล้วเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดงั้นถ้าเราถึงเวลาจะต้องตายก็ยอมตายใชมันก็จบมันก็จะหายกลัวแล้วต่อไปมันจะไม่กลัวอีกต่อไปถ้าเราไม่กลัวตายแล้วเราจะไม่มีวันกลัวอีกต่อไปแล้วเราไม่ต้องมาสวดอิติปิโสไม่ต้องมาท่องพุทโธเพราะความกลัวมันจะไม่เกิดเราจะสามารถไปที่ไหนได้ทุกแห่งทุกคนที่น่ากลัวนี้เราจะไม่มีความกลัวถ้าเรายอมตายแล้วเราจะไม่มีความกลัวตายอีกต่อไป คำถามจากคุณสุนีรัตน์ค่ะคนเลวทําบาปทํากรรมเสมอไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวบาปเขาจะมีความทุกข์ใจไหมคะมีทํำปุ๊บเขาก็ทุกข์แล้วแหละเพียงแต่เขาไม่รู้ท่านเองไปฆ่าใครไปขโมยของใครนิ่ใจเขาก็ไม่สบายแล้วเขาต้องหวาดระแวงหวาดกลัวเห็นตํารวจเดินมาก็ไม่สบายใจนะ ท, ทั้งทั้งที่บางทีตํารวจก็ไม่ได้มาตามจับเราเขาไม่รู้เรื่อง แต่เพียงพอไปเจอตำรวจขึ้นมาก็ตกใจกลัวขึ้นมาแนละ้วมีอะไรจะถามบ่างโอเคมองไม่เห็นเขาไม่ได้มองที่ใจก็คนที่ทำบาสมักจะมองของที่เขาอยากได้ก็ เ, เลยพอได้ของมาเขาก็เลยดีใจแต่มันดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วความทุกข์ใจความกังวลใจก็ตามมาต้องดินน้นนอนคอยหลบคอยซ่อนคอยอคอยป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลา คำถามข้อต่อไปจะคุณพายค่ะขอพระอาจารย์กล่าวถึงสีนข้อสามแบบเชิงลึกเจ้าค่ะก็ไม่ลึกหรอกก็สีนข้อสามก็ให้มีผัวเดียวเมียเดียวนะฮะเท่านั้นอย่าไปมีหลายคนถ้ามีก็ต้องตกลงกันให้ได้ก่อนถ้าพูดตกลงกันได้ระหว่างสามีภรรยาแล้วสามีภรรยานุญาตให้ไปมีเพิ่มได้ก็ไม่ก็ไม่ผิดศิน สิ่งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องคนสองคนอยู่ร่วมกันอยากให้คนสองคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันแต่ถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อกันความสุขที่จะได้มันก็หมดไปถ้าอยู่กันด้วยความหวาดระแวงความไม่เชื่อถือกันมันก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้ายอมยอมรับกันได้ว่าเราไม่สามารถให้ความสุขกับเขาได้เราอยากจะมีอีกคนหนึ่งเพื่อให้ความสุขกับเขา เช่นเราจะบกพร่องทางร่างกายไม่สามารถให้ความสุขกับเขาได้แต่ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ก็ยกน้องสาวหรือยกน้องชายให้เขาไปเป็นเป็นคู่แทนเป็นตัวแทนเาน่าอย่างนี้ก็ทำได้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลแต่ต้องทำด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาตามมาถ้าไม่ยินยอมเดี๋ยวมันฆ่ากันได้เข้าใจไหมเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวกันได้ค่ะ คำถามข้อต่อไปจากคุณบัญชาค่ะถ้าเราไปกินเหล้าแต่เราไม่ได้ทําผิดศีลทั้งสี่ข้อข้างต้นยังเป็นบาปอยู่หรือเปล่าครับมีอะไรรนะับประกันเวลากินเหล้าแล้วเราจะไปควบคุมตัวเราได้กินเหล้ามาขับรถเดี๋ยวก็ไปชนคนตายได้กินเหล้ามาก็เดี๋ยวก็ไปพูดยาไปประพฤติผิดประเวณีได้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็อาจจะไป แวะที่ไหนก็ได้ไปแวะทาสถานอาบอบนวดที่ไหนก็ได้นี่นี่ก็ถือว่าประพฤติผิดประเวณีแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ต้องเมาก่อนถึงจะไปทำบาปได้ถ้าไม่เมาแล้วบางทีไม่กล้าทำมีความอายในตัวเองอยู่แต่พอไปดื่นสุราแล้วมันมันความอายมันไม่มีความกลัวบาปมันไม่มีมันก็เลยกล้าไปทำบาปแต่ที่ว่าถ้ากิน ด, ดื่มแล้วแล้วไม่ไปทาบาปก็ต้อง ให้เขาล่ามโซ่ไว้สิล่ามโซไว้ในที่ข้างเตียงเนะี่ยเดือมใส็จก็นอนเลยอย่างเงี้อย่างเงี้ก็จะไม่ไปทําบาปแ ต, แต่ดูไม่ปงี้ดืม่ไมไปทให้เสียเสียเงินเสียทองเสียเวลาเอาเวลามาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่ากินแล้วเมาก็ทําอะไรไม่ได้ไปทํางานทําการหรือไปทําอะไรให้เป็นประโยชน์ไม่ดีกว่าเลยกินแล้วมาบางทีตื่นเช้าขึ้นมาปวดหัวไปทํางานไม่ได้ เดี๋ยวก็เสียงานเสียการเดี๋ยวก็ถูกเขาไล่ออกจากงานจนได้เพราะทำงานไม่ไม่สม่ำเสม อ, อมันเป็นโทษอย่าไปหาอย่าไปหาข้ออ้างข้อดีจากมันั้นไม่มีหรอกชุรานี่มีแต่โทษโทษทั้งทางร่างกายและทางจิตใจและทางทรัพย์เข้าของเงินทองเดือมชุราก็ต้องเสียเงินไปซื้อมาแล้วเดือมมาแล้วเดื่มมากๆก็ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ทำให้สติไม่ดีจิตใจไม่ดีจิตใจวอกแวกจิตใจกลายเป็นจิตใจที่อ่อนไหวง่ายต้องอาศัยสุราเป็นตัวคอยประคับประคองเวลาไม่สบายใจก็ต้องดื่มสุราเพื่อทำให้สบายใจแต่สบายใจเดี๋ยวๆแล้วอาจจะไปทำบาปต่อไปได้อีกค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณพนพลค่ะ คนที่มารักเราแล้วคนที่รักคนที่มารักเราเราเกิดอาการหึงหวงเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรทั้งบุคคลทั้งบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สองครับใครที่หนึ่งใครที่สองมีคนมักเรา <c ười> คนที่ <c ười> คือคงอาการหึงหวงเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรก็ <c ười> อย่าไปถือว่าเขาเป็นของเราสิ <c ười> ถ้าไปถือว่าเป็นของเราเราก็จะหวง ถ้าเธอว่าไม่เป็นของเราก็เราก็จะไม่ห่วงคิดถึงตอนที่เราไม่รู้จักเขาเลยคิดว่าเขาเป็นเหมือนคนที่เราไม่รู้จักเราก็จะไม่หึงไม่หวงคําถามข้อต่อไปจากคุณแพมค่ะถ้าคนในครอบครัวทําผิดศีลทุกข้อเลยเราเตือนแล้วไม่ฟังทําให้เราทุกข์ใจเองเพราะเป็นห่วงเขารักเขาเพราะสายเลือดเดียวกันเราจะทําใจอย่างไรเจ้าคะ่ะ ก็ <g lov ian> เหมือนเราอยากให้ฝนไม่ตกไงแ้วฝนมันตกเราจะทำยังไง <c oughs> ถ้าไปอยากให้มันไม่ตกเราก็ไม่สบายใจถ้าเราปล่อยมันตกเราก็สบายใจถ้าเราอยากจะสบายใจก็ต้องปล่อยให้เขาทำบาปไปในเมื่อเราบอกเขาแล้ว <c oughs> เขาไม่ยอมทับตาบเราก็เหมือนกับฝ น, เ, นเราบอกฝนอย่ากตกมันมยังตกอยู่จะทำยังไงก็ต้องปล่อยมันตกไปถ้าไม่ยอมมันตกอยากให้มันไม่ตกเราก็จะไม่สบายใจ นถ้าเราอยากสบายใจก็ต้องปล่อยให้เขาทำไปคำถามข้อต่อไปจากคุณสกลทิพย์ค่ะนั่งสมาธิจิตรวมแล้วเหมือนไม่มีลมหายใจ <c oughs> แล้วให้นั่งดูความเย็นตรงปลายจมูกใช่ไหมเจ้าคะก็ดูตรงไหนก็ได้ตอนที่จิตมันสงบแล้วมันไม่คิดแล้วก็ก็ <c oughs> รู้เฉยเฉยไปรู้ว่ามันไม่คิดรู้ว่ามันมีความสุขมีความสบายก็อยู่อย่างนั้นไปจนกว่ามันจะถอนออกมา เวลาถอนก็คือมันจะเริ่มคิดแล้วก็เริ่มอยากพอเริ่มคิดแล้วก็เดี๋ยวก็เริ่มอยากจะลุกอยากจะไปทํานู่นทํานี่ต่อถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็ต้องเริ่มใหม่เราก็ต้องพุโทโธใหม่หรือดูลมหายใจใหม่ต่อไปคําถามจากคุณรุจิค่ะพระอาจารย์คะคนที่บอกว่าเคยเห็นยมบาลมาก่อนวันที่มีคนตายทําไมเขาถึงเห็นได้คะ หรือว่าเป็นความเพ้อฝันเป็นจินตนาการคิดไปเองคะ อ, อ๋อยมบาลไม่มีตัวตนหรอกมัน <c oughs> คือความตายนี่เลยคือยมปบาลคนที่เขาอาจจะผ่านหรือใกล้ความตายมาเขาก็เลยเรียกว่ามีโยมบาลมาหาเขาเท่านั้นเองแต่ยังไม่ถึงเวลาเขาก็เลยยังไม่ตายแต่ตัวตนไม่มีหรอกโยมบาลหรือมารหรือกิเลสหรืออะพวกนี้มันไม่มีตัวตนมันเป็นสภาวะความรู้สึกในใจเรา ท่า <c oughs> นนั้นเองหมดแล้วเหรอพอดีเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีเหลืออีกสองนาทีมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าจะข อ, อยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ